ในช่วงนี้ทางวัดป่าพุทธยานันธารามของเราก็มีการพัฒนาสถานที่เพราะว่าเราเป็นวัดที่ภาวนาแบบเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเคลื่อนไหวนี่ก็เรียกว่าเราสามารถนำมาประยุก์ใช้กับการงานได้ดี มีความรวดเร็วฉับไวและแม่นยํานีเพราะว่าการภาวนานั้นต้องสอดคล้องกับชีวิตจริงการภาวนาแบบวิปสัสนาแบบเคลื่อนไหวไม่เป้าหมายไม่ใช่เพื่อการสแสวงหาความสุขสงบแบบไม่มีปัญญาแต่เรามีความสุขสงบในการกระทํามีความสุขสงบในการเคลื่อนไหวแต่ในขณะที่เรา เคลื่อนไหวเราก็สามารถใช้สติสมาธิปัญญาทั้งส่วนที่เป็นสมมุติคือเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกและในส่วนที่เป็นปรมัตุคือการเกี่ยวข้องกับสิ่งภายในการสามารถดูแลและจัดแจงสิ่งภายนอกให้สอดคล้องกับภายในนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว คนทั่วไปแทบจะมองไม่ออกว่าการเคลื่อนไหวแบบไหนเป็นการปฏิบัติกรรมฐานและการเคลื่อนไหวแบบไหนเป็นการเคลื่อนไหวแบบความเคยชินหรือสัญชาตญาณแทบจะแยกกันไม่ออกแต่ผู้ปฏิบัติที่เข้า <c oughs> ที่เข้าถึงแล้วเท่านั้น <c oughs> ที่สามารถที่จะเห็นว่าการเข้าไป จัดการกับวัตถุให้ถูกที่ถูกทางและให้เหมาะแก่การงานเรียกว่ากรรมนิโยเพราะว่ากรรมนิโยหมายถึงว่าในส่วนภายในคือจิตของเรานั้นาสามารถปรับาการกระทบที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพจิตในขณะนั้นนั้นไม่ให้จิตของเราได้รับความเศร้าหมองหรือความหวั่นไหวใดๆ คือสามารถเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มากระทบนั้นให้เป็นกุศลเสมอให้เป็นประโยชน์ต่อการชําระจิตขัดเกลาจิตเสมอเรียกว่ากรรมนิโยในส่วนที่เป็นประมัดแต่ในส่วนที่เป็นสมมุติก็คือสามารถปรับความเหมาะสมในการดํารงชีวิตว่า เราอยู่กับสมุดภายนอกนั้นเราจะดารงชีวิตอย่างไรที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้และไม่เป็นภาระของสังคมเป็นที่พึ่งของสังคมได้เป็นแบบอย่างของสังคมได้ดังนั้นการปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจอยู่เสมอโดยเฉพาะแบบเคลื่อนไหว แล้วก็เคลื่อนไหวแบบปกติแบบธรรมดาโดยที่ไม่มีการดัดแปลงแต่งเติมอะไรให้ผิดไปจากธรรมชาติธรรมดาของคนทั่วไปแต่การเข้าถึงสาระภายในนั้นแตกต่างกับคนทั่วไปในสิ้นเชิงคนทั่วไปนั้นทําด้วยความเคยชินและทาด้วยความอยากภายใต้อํานาจของอวิชชาตันหาอุปาทานแต่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวนั้นจะ ทำด้วยเพื่อมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นที่ตั้งโดยใช้การเคลื่อนไหวนั้นไม่มีการหวังผลในส่วนที่เป็นลาบสการะหรือโลกธรรมใดๆแต่ทำไปศักรวาธรรมแต่ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประโยชน์ภายในนั้นเราก็จะได้เห็นถึง การทำงานของกายว่าในช่วงที่ทำงานนั้นร่างกายเป็นอย่างไรมีเวทนาเป็นอย่างไรบ้างเช่นในช่วงนี้เราทำงานในการจัดโตะ๊ะอากาศจึงร้อนอบอ้าวซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเกิดทุกขเวทนาต่างๆขึ้นภายในเรียกว่าทางกายเราก็เรียกว่าต้อง ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในอย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคอยสังคอยสังเกตและในขณะเดียวกันภายนอกก็ไม่ได้ละเลยต่อการสังเกตถึงความถูกต้องความแม่นยำความเหมาะสมควรแก่การงานในขณะนั้นจิตไม่ได้วอกแวกวันไหวไปกับอารมณ์อื่นมุ่งมั่นอยู่การกระทำอย่างชัดเจน ซึ่งเราจะเห็นว่าการกระทําแบบนี้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตทั่วไปดังนั้นการเจริญกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวแบบที่เราทำกันอยู่นั้นจึงเหมาะสมแก่คนทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะอาชีพไม่ใช่เฉพาะนักบวชเท่านั้นแม้แต่ชาวบ้านก็ เรียกว่าเป็นประโยชน์ทำให้ประยุกต์การเคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้วนั้นให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติกรรมฐานดังนั้นจึงไม่อยากจะให้ท่านละเลยหรือว่ามองข้ามากรรมฐานแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงและประหยัดสุดในการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสืบไปด้วยการใช้ชีวิตให้เป็น ประโยชน์ทุกทุกอย่างก้าวทั้งตนเองและผู้อื่น อ, อย่างสมบูรณ์แบบของการมีชีวิตอยู่จริง